นมัสการนะครับหลวงพ่ออ่าเมื่อกี้ที่คุณหนูอินหุ้ยพูดไปนะครับผมจริงๆต้องเรียนหลวงพ่อว่าผมอ่ะชอบทั้งสองอย่างมีมีก็มีมีแนวทางที่แบบว่าอยากจะเชื่อมโยงสองอย่างเข้าด้วยกันนะครับคืออันนี้ไม่ใช่แบบว่าไม่ไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นผู้เชื่อมโยงครับแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าหรือว่าสิ่งที่ในพระไตรปิฎกเนี่ยเราเรามีความเชื่อว่ามันถูก แล้วเราก็เชื่อว่าคนที่ปฏิบัติจนจนเข้าถึงของจริงเนี่ยมันก็มีอยู่ยังมีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยด้วยด้วยความที่ภาษาที่ใช้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของผมขออนุญาตใช้คําว่าอัถฐกับพยัญชนะแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านก็ย้ําว่ามันต้องเป็นนันเดียวกันคือหมายถึงว่าอัถฐก็ต้องใช่พยัญชนะก็ต้องตรงอะไรอย่างนี้คนระับอันเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่ท่าน ท่านบอกว่าถ้าถ้ามีสองอย่างเนี้ยทําวินัยจะคงอยู่ไปไปนานนี่ส่วนตัวผมก็เลยมีความเชื่อว่าคนที่รู้จริงเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ทีนี้มันก็เราก็หาไม่ค่อยได้นะครับว่าว่าห้องไหนที่มันจะเป็นทั้งสองอย่างนี่ครับก็เลยก็เลยมโนโอเอาเองบ้างตามที่เราอ่านแล้วก็ก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราพบเจอบ้างนะครับก็ก็ขออนุญาตเรียนหลวงพ่อกับทาง คุนหนึ่งนุยแล้วก็กลรรยกา ร, รย์ทุกท่านาถ้าเกิดผมมีหลุดเป็ น, ปนภาคตำลาไปบ้างนี่ก็ต้องขออภัยเพราะว่ามันเป็นจลิตส่วนตัวนะครับทีนี้ถ้าจะขอเชื่อมโยงกับสิ่งที่หลวงพ่อสอ น, น, นกับสิ่งที่อยู่ในตำลาผมเคยมีประสบการณ์นึงคือผม อ, อ่านเจอในข่าวดิที่ท่านบอกว่ากุทุชนเจะตามเห็นรูปเป็นตน แล้วเราก็เข้าไปส่องดูในกระจกมันเห็นชัดมากเลยครับว่าว่าพอเราเห็นรูปในกระจกเราคิดขึ้นมาทันทีเลยว่าไอ้รูปเนี้ยมันคือเป็นซอ่ะแล้วเราก็รู้สึกอย่นที่มาตั้งนานแล้วมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราเข้าน้ําเสร็จเห็นรูปในกระจกเนี่ยเรารู้นทันทีเลยว่าอันนี้มันคือตัวเราแล้วพอเกิดความคิดแบบเนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่แหละมันคือมันน่าน่าจะนะครับเขาคิดเอาว่ะมันน่าจะเป็น สิ่งที่เรียกาสัญกาณจิตถีครับทีซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่หล่อก็มาชี้น้นตาคืออะไรนี้ครับแต่ว่าปุถุชนเราก็โดยปกติเราก็จะเห็นอะไรเป็นสักญาณจิตถี่บอกทีนี้เอถ้าในในทำทีเนี่ยเขาจะพูดเขาจะพูดว่าบุคคลเนี่ยเห็นมีขันท่าเป็นตนเป็นเครตนทีนี้ถ้าผมจะลองลองไล่เลียงที่เคยเจอมาว่าผมว่าตั้งในขันท่าเนี่ยรูปเนี่ยเห็นเห็นว่ามันเป็นตนเนี่ยง่ายที่สุด เพราะว่ามันหยาบทีนี้ในส่วนของเมทนามันก็จะก็จะไม่ยากเหมือนกันเช่นเวลาเจ็บหรือว่าเวลาชอบไม่ชอบเวลาสุขหรือทุกเนี่ยมันจะมีกูเป็นบสมทีแล้วกูเจ็บกูสุกกูทุกอัน ง, งนี้อันนี้ผมว่ามันก็เห็นง่ายนะแต่ว่าไอ้ตัวที่ที่ยากที่สุดเนี่ยก็มันเป็นตัวท้ายๆคือเรื่องของ สังขารวิญญาณานี น, นะครับที่ที่น่าจะเห็นยากมากว่าว่ากูรู้นะครับเม่อมององนีนก็เป็นเป็นเราเพราะว่ามันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดแล้วก็อยู่มาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วก็ในผมเองเนี่ยเออเด็กๆ เ, เด็กแบบไม่รู้เรื่องนะครับตอนใบรุ่นที่เคยอ่านหนังสือธรรมะ ตอนนั้นเคยตั้งเป้าแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบไฟใจมากว่ า, าชีวิตนี้อยากมีฐานอย่างนึงเพราะเราอัดนมาแล้วก็อยากแล้วมันก็ค่อยๆลดมาเรจนถึงตอนเนี้นะครับผมก็มีแค่เป้าเดียวในใจก็ชาติที่ก่อนใั น, ในจะแค่รักสัญญาที่ติดให้ได้พ้อเดียวนะขอเดียวเนี่ยผมว่าผมชีวิตนี้น่าจะเกิดมาแบบคุ้มค่าแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังรู้ว่า มันความเป็นเรามันก็ยังตามเราเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะแต่มันก็ยังยังมีอยู่นั้นก็เลยพอได้ยินคําสอนที่ที่พูดถึงเรื่องของความไม่มีเราอนะไรเนี้ยตอนนี้คือผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มันตรงกับสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่เราต้องไปต่อนะครับต้องข้ามพ้นให้ได้ในในชาติเนี้นะครับก็ขอแค่แค่ข้อเดียวที่ที่อยากจะละความเห็นผิดตัวนี้ให้ได้นะครับ ก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนประมาณนี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวหลวงพ่อขอขอพูดนิดหนึ่งนะเมื่อกี้ที่โยมพูดเนี่ยหลวงพ่อเข้าใจหมดอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อใจชี้อย่างนี้เลยว่าเมื่อกี้เนี่ยประโยชน์สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเลยคือจริงๆภาคปริยัตอะไรเราก็รู้หมดแล้วแหละ ว, ว่ามันไม่มีตัวเราเนาะมันเป็นอนัตตาแต่คํำพูดสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพูดในทํานองที่ว่าเราหรือว่าผมเนี่ย ตรงนี้ถ้ารู้เท่าทันเนี่ยมันจะดับเลยจะดับความเห็นผิดได้ในขณะปัจจุบันแต่การรู้เท่าทันเนี่ยมันไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองในในในช่วงที่ยังไม่ชํานาญเนาะต้องอาศัยคนอื่นที่บอกว่าอ่าเห็นไหมหลงมีเราอีกแล้วแค่นี้มันก็จะตื่นรู้ขึ้นอย่างฉับพลันว่าเออเมื่อกี้หลงจริงๆพอมันพอมันรู้แจ้งชัดมีคนมาสะกิดปั๊บเนี่ยไอความหลงนั้ น, นก็จะหายไปก็กลายเป็นความรู้แจ้งขึ้นมาว่า ไม่แน่ะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอวิชาเป็นความหลงเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นไอการที่ฉับพันแบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นวิชาคือเป็นหัวขบวนของปฏิจจสมุปบาทที่เรียกว่าฝ่ายดับทุกข์อ่ะแต่ถ้าไม่เห็นอีกก็กลายเป็นว่ายังยังเป็นอวิชาอยู่อย่างนั้นแหละถึงแม้ว่าจะมีความรู้ในทางภาคปริยัติก็ตามแต่ก็ยังเป็นอวิชาอยู่สูมว่าอธิบายได้ท่องได้ปฏิจจสมุปบาทเนาะแต่พอเอาเข้าจริงอ่ะมันเป็นอวิชาหมดเลยเพราะไม่เห็นว่า ความคิดหรือว่าที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นความเป็นสังขารที่ปรุงแต่งก็เลยหลงไปแต่ถ้ามีคนสกิตนะมีปัญญาเนี่ยบอกอ้าเนี่ยที่พูดอย่างเนี้หมายความว่าไงเกิดระลึกได้ขึ้นมาว่าโอ้เมื่อกี้นึกว่าเรายังไม่ถึงไหนเรายังมีตัวเราจริงๆเห็นไหมมันจะทําให้ตื่นรู้ขึ้นมาชฉพัน์เป็นเรียกว่าดับอวิชชาในขณะจิตนั้นเลยเพราะจริงๆริเนี่ยมันแท้จริงๆเลยเนี่ยมันไม่มีเราหรอก ที่มันมีเราก็ว่าเกิดจากเนี่ยแหละสังขารเนี่ยที่มันอวิชชาที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแต่มยังไม่รู้อีกมันก็เลยลากยาวเลยแต่ถ้าขณะใดรู้รู้เท่าทันรู้เร็วนะรู้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฐิเนี่ยตรงนี้มันก็ดับอวิชชาอยู่แล้วเพราะนั่นจึงจําเป็นเร่งด่วนที่ยอมหน่วยน้อยที่แจ้งก็ถูกแล้วเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยขอเน้นในเรื่องปัจจุบันทันด่วนก็คือมาทักมัดยี่กันตรงนี้ส่วน อื่นๆเราก็โอเคเข้าใจได้ว่ามันมีหลากหลายเนาะใครชอบในส่วนนั้นก็ก็โอเคไปหาดูได้แล้วก็ไปคุยกันแต่ถ้ามาในลักษณะที่แบบฉับพลันทันดวนก็ลองเข้ามาดูนะเออเผื่อก็จะต่อยอดอะไรม้างก็ก็ลองดูก็ไม่เสียหายตรงไหนแล้วหลวงพ่อเองนะโดยโดยโดยโดยจิต โ, โดยใจอ่ะมันก็แปลกนะคือทําไมอ่ะคือคงจะมีที่มาที่ไปอ่ะหลวงพ่อมาเข้าศึกษาธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าตรงต่อแนว สอนของหลวงพ่อเทียนท่านสอนเรื่องความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันและท่านก็พูดถึงเลยว่าไอ้คือท่านไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดแต่ต้องท่า น, น ย, กยกเหตุผลขึ้นมาอ้างอะทำให้เราก็คล้อยตามได้เช่นท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยออประวิณิพานนานเท่าไหร่แล้วกี่ปีนะแล้วท่านเคยเขียนตำราบ้างไหมเคยเรียบเรียงไหมก็เป็นที่ว่าคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฟังฟังกันมาเนี่ยมันก็จะจะปฏิเสธเลยก็ไม่ได้จะเชื่อหมดเลยก็ไม่ได้ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เอามาแค่เทียบเคียงมาพิจารณาแต่สิ่งที่เรารู้ได้เองเนี่ยคือรู้ตัวเรานะสิ่งที่รู้ได้เองเนี่ยแค่มีคนบอกทางวิธีรู้เนี่ยเมื่อได้รับก็เรียกว่าได้รับคาแนะนำาการบอกวิธีรู้ให้แล้วเนี่ยกลับมารู้ตัวเองเนี่ยมันง่ายแสน ง, ง่ายไม่ต้องถามใครด้วย ใช่ไหมเออเช่น ร, รู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยต้องถามใครไหมเวลาร่างกายเคลื่อนไหวท่านบอกเนี่ยรู้อย่างพุท ธ, ธคือรู้เลยไม่ต้องถามใครอ่าแล้วก็สมมติรู้อารมณ์ต่างๆความรู้สึกนึกคิดอะ่ะเวลาทุกข์ก็รู้เวลาสุขก็รู้คือทั้งหมดทั้งสิ้นที่อยู่ในตัวเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่รู้แต่ขอให้มีผู้บอกทางก่อนพอรู้แจ้งอย่างเนี้ยก็รู้แจ้งอย่างพุทธะอย่างพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็เรียนรู้ตัวเองแต่ท่านรู้ทัานก็เลยสอนเยอะ แต่ถ้าให้เข้าเป้าจริงๆก็คือรู้ตัวเองแล้วก็สามารถที่จะรู้สิ่งที่เกิดที่ดับได้แล้วก็สามารถรู้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับได้คือรู้ทุกอะไรอริยสัจนี่แหละมันชัดเจนหลวงพ่อก็เลยเออวิธีนี้มันลัดดีไม่ต้องไปค้นคว้าไปหาตำรามาจําให้ลบสมองแล้วพอจําได้เนะเผลอๆมายึดถืออีกก็มันแปลกตรงที่ว่าเออหลวงพ่อเทียนอ่านหนังสือไม่ออกเลยท้งก็ท่านถอนตรงแล้วการปฏิบัติก็ ถึงทำก็เรียกมันถึงเลยไม่ต้องใช้สมองคิดเยอะมันก็เลยกลายเป็นนิสัยที่ว่ามาทางแบบนี้แต่ก็ไม่ได้รังเกียจนะหลวงพ่อชอบมากนะถ้าคนสมมุติว่าเอออธิบายเนาะอัตตาอธิบายเออพระไตบีิฎกข้อธรรมเนี่ยแล้วมันมันเหมือนกับว่าเราก็เทียบเคียงเนาะเทียบเคียงกับอารมณ์ปฏิบัติแล้วมันเหมือนกับว่าโอ้หมันลงกันมันลงกันเลยอ่ะมันลงกันเลยมันลงกันเลยเนี้ยก็เลยว่าอืมก็มีประโยชน์ ในเรื่องเรื่องคนที่เขามีความรู้เรื่องนั้นนะเราก็ฟังแต่๋ยวถ้าจะให้ตัวเองไปรู้เองเนี่ยบางครั้งรู้สึกว่ามันอ้อมจังเนี่ยเออประมาณอย่างเงี้ยอันนี้คุยกันส่วนที่มันเป็นความรู้สึกกันนะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ต้องตบท้ายด้วยว่าทุกความรู้สึกก็คือสังขารอย่าไปหลงมันมันจะรู้สึกยังไงก็แต่จะเกิดความเชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นสังขารทั้งหมดต้องรู้เดี๋ยวเนี้ยแล้วก็ทิ้งมันเดี๋ยวนี้เลยนี่คือทางที่มันแบบ เร็วเออเร็วไม่ย่นเยอะไม่เนิ่นนานเพราะว่าในหลักสติปัฏฐานสูตรทุกคนก็รู้อยู่ว่าไม่เกินเจ็ดปีใช่ไหมถ้าปฏิบัติถูกจะสามารถที่จะเออพ้นทุกข์หรือเป็นบรรลุเ อ, อ่อบรรลุพระอริยะพระอาหารหันต์อะไรที่ว่าเนี่ยตามลําดับไลลขึ้นมาเนี่ยก็เลยโอถ้าปฏิบัติถูกมันไม่เกินเจ็ดปีพระพุทธเจ้ารับรองเรื่องนี้ทีนี้ทําไมที่เราปฏิบัติกันนานก็ปฏิบัติไม่ถูกไงทั้งๆ ท, ที่รู้รู้ข้อมูลเยอะ แต่พอปฏิบัติปฏิบัติไม่ถูกก็เออก็ถูกต้องไงเมื่อไม่ถูกมันก็เนื่นช้าเนาะโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็เข้าใจกันได้นะเออการยานามิตรกันทั้งนั้นหลยพอเกิดความรู้สึกอารมณ์ขึ้นมาก็รู้ทันมันก็รังงบหยุดได้แล้วไม่ทะเล็อ ก, กันค่คะสช่ถูกค่ะสาธุาาธาาธกับคุณนภภพรัตด้วยนะคะเพราะว่าจากเมื่อวานที่ได้ได้คุยกันเนี่ยก็ ให้เห็นเห็นช็อปรันจริงๆค่ะได้เห็นแล้วก็รู้เลยนะตอนนั้นนะคะค่ะเพราะหลายๆคนนี่แบบว่าพอหลวงพ่อดึงกลับมาปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะก็โอ้เข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สาธุด้วยนะคะของผมเมื่อกี้ก็ผมผมเมื่อกี้ตอนที่ฟังอยู่เนี่ยเห็นหลายพวกเลยรับหมนุนแบบมันมีตัวอย่างที่จะแบบจั จิกจักจก จ, กจกขึ้นมานะครับค <c oughs> ่ะ ม, ม, มีอันสําคัญอันหนึ่งที่อยากจะขออนุญาตให้หลวงพ่อชี้แนะด้วยแล้วว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันใช่ไหม <c oughs> คือค อ, อันนี้ก็เป็นต้องขอเรียนว่าจากตํำรายน่นะครับ <c oughs> คือสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่านเรียกตัวเองท่านจะใช้คําว่าตถาคตอนะครับ <c oughs> ซึ่งมันแปลคําแปลผมก็จําไม่ได้ว่าแปลว่าอะไรแต่ท่านจะไม่เรียกว่า ว่าเป็นไม่ได้มีคําพูดเหมือนอะไรที่สื่อว่ามันเป็นเราในขณะที่เราเวลาเราสื่อสารกันทั่วไปเนี่ยพอเราพูดไปสักพักหนึ่งเนี่ยความเป็นคําพูดที่เป็นสรพนามแทนแทนตัวที่ว่าเราเราฉันผมอย่างานี้ยมันจะออกมาตลอดเวลาแต่เนี้ยผมไม่แน่ใจว่าที่ท่านต้องไปเรียกอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องมันจะเป็นการตอบย้ําให้เรามีอุปทานใน อะไรนะครับที่ตัวหนึ่งที่ท่านเรียกว่าในอุปทานสี่มันจะมีอัตวาทุปทานคือบาทะว่าเป็นตัวเป็นต น, นยอย่างนี้ครับทีนี้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตส่วนตัวว่าในดิอาร์ล็อกที่เราคุยกันทั่วไปนี่นะครับความเป็นตัวตนเนี่ยมันจะมีมาเป็นเงาเงเงาเงาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอย่างตอนเนี้ผมก็ว่าผมก็มีนหละแตผมทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ว่ามันก็เป็นแค่ข้อสังเกตนะครับว่าว่าสิ่งที่ท่านทําให้ดู กับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันก็ยังแต่นั่นคือหมายถึงว่าท่านคงหมดแล้วจริงๆท่านถึงสามารถที่จะไม่มีหลุดความเป็นเราออกมาเลยอยู่ในแม้แต่ในการสือาา่อสารนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยนะครับขอบพระคุณครับทีนี้อ่าหลวงพ่อจําแนกแกกี้งอย่างนี้นะคือที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องของพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งถูกไหม ว่าท่านเป็นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นแต่ทีนี้มันก็เมื่อมีพระพุทธเจ้าจแสดงว่าต้องมีเราและตอนเนี้ยมีเราแล้วทีนี้มีเราตรงไหนอย่างน้อยก็บอกว่าให้หลวงพ่อชี้แนะอะไรเพิ่มเติมหน่อยพอนึกออกไหมตรงเนี้ยเนี่ยคือมีมีเราเป็นผู้มีเราเป็นผู้ผขอรับคําชี้นะคือถ้าไม่เห็นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเราจริงๆเลยเราเป็นผู้ขอคําชี้นะแต่พอมีคนมาชี้บอกว่าที่พูดเมื่อสักครู่นี้ย ขอคำชี้แนะเนี่ยจริงๆนะไม่ใช่เรานะเป็นอาการเป็นกิริยาเป็นคำพูดทุกอย่างเป็นสังขารหมดเลยเห็นไม้มพอเห็นแค่นี้ปับ๊บมันก็เห็นหมดทั้งตัวเลยว่าโอ้นี่ถ้าอาจารย์ไม่ชี้นะก็ยังมีเราเป็นผู้ขอคำชี้แนะอีกแล้วแล้วก็เราก็จะได้คำตอบแล้วเราก็จะอาจจะเราไปปฏิบัติเห็นไหมมันเต็มไปด้วยเอาวิชาทั้งพวงเลยตลอดสายเลยทุกขณะจิตเลยแต่ถ้าหลวงพ่อชี้บอกว่าอ่า เมื่อกี้พูดว่ายังไงนะแล้วโยมนึกขึ้นได้ว่าโอ้เมื่อกี้ผมแต่ยอมต้องเข้าใจด้วยตนเองจริงๆนะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันหลงผิดจริงๆว่ามีผมแต่ถ้าถ้าไม่มีผมเนี่ยหลวงพ่อก็เชื่อว่าคงไม่มาขอคําชี้แนะอะไรอีกเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปเอาทําอะไรอีกเพราะมันไม่มีตัวผมอยู่แล้วมันเป็นความแบบไม่เป็นตัวตนอยู่แล้วก็เลยไม่จําเป็นต้องขอสแสดงว่าการขอแบบเนี้มันขอด้วยความอยากจะ คือมันขอด้วยตาเนี่ยเขาเรียกว่าขอด้วยความเป็นอวิชชาเนี่ยมีตัวเราพอพอเข้าดใจไหมตรงเนี้ยนึกออกเนาะคิดว่าต้องนึกออกนะระดับนี้มันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าออแต่ว่านี่<ๆ>ตอนนี้หลวงพ่อชเ้เลยแล้วไงว่าลองลองนึกภาพสิว่าสมมติว่าเราจะถามกันเนี่ยเอาแล้วใครเป็นคนขอเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าขอคําชี้แนะสมมติว่าเราจะพิจารณาโดยเยกคายนะลองมองให้ดีว่าเออใครขอว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่ใช่เราขอแล้วใครขอ เอมันก็ลงที่เราขอเนี่ยแหละแล้วก็ออกมาเป็นคํำพูดแต่ตรงนี้พอเข้าใจปั๊บเออว่ามันแฝงแฝงลึกๆึกเนี่ยลึกๆ ก, กเนี่ยมันมีเราแล้วก็เพื่อประโยชน์ของเราไปแหละไม่ใช่เพื่อประโยชน์ใครหรอกอ่าพอเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอเนี่ยแสดงว่าเหมือนกับว่ารับฟังไว้แล้วก็ไปพิจารณาเพื่อที่จะไปดําเนินการต่อเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือมันเป็นเป็นความลึกลึ ก, ลกอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็น รเรียกศัพอะไรไม่รู้แต่ลึกๆก็คือยังมีตัวเราอยู่แล้วหลวงพ่อก็สักกจคิดให้ว่าเนี่ยมองนะมันเป็นตัวเรานะแต่ถ้าเข้าใจถูกเรื่องสังขาร น, นะเข้าใจถูกเรื่องสังขารเนี่ยสัพเพสังขารานิจจานียนะจะเข้าใจเลยว่าไอ้ที่พูดไอ้ที่ขอทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ขังขานไม่ใช่เราจริงๆแล้วพอรู้ว่าเป็นสังขารปั๊บมันก็โยงได้นี่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิงนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วก็ทำทั้งปวงเป็นอนัตตานิจตามตามที่เราได้ยินได้ฟังเน แล้วก็อ้าวสุดท้ายนี่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่ไม่รู้แบบนี้มันหลงนี่ว่ามีตัวเราแต่พอมีคนมาชี้นะปั๊ปบมันหายหลงไงความหลงดับไปอวิชชาดับไปก็เลยเป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่มีตัวตนอะไรไม่อาจารย์ไม่ต้องบอกก็ได้เพราะเมื่อรู้แจ้งขนาดนี้เอาไปทำอะไรอะ่ะไม่เป็นประโยชน์แล้วเพราะตอนนี้ดับอวิชชาเรียบร้อยไปแล้วไม่รู้ทางงงก็ก็งงไม่เป็นไร หรือว่าคนอื่นจะเดี๋ยเดี๋ยให้คนอื่นผมกอเข้าใจว่ามันติดติดมานานผมก็ค่อยๆแชร์ไปทีนี้หลวงพ่อเนี่ยเออพอหลวงพ่อพูดอย่างเนี้ยหลวงพ่อก็อยากจะให้คนอื่นที่รู้สึกว่าเกะเข้าใจอ่ะอยากให้มาขยายความว่าเออแต่เดิมเข้าใจว่ายังไงพอได้ยินอย่างนี้มันเข้าใจว่ายังไงเนี่ยอยากจะให้แชร์ตรงนี้เออลองดูที่ใครเข้าใจที่หลวงพ่อพูดแล้วรู้สึกว่าอืมันมันเจ๊อกเลยอ่ะแบบมันออะไรเนี่ย เรนเชิญนะคะใครที่แบบปุ๊บเหมือนกับเฉียนเลยค่ะตัดเลยอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเจือถึงใจอย่างผมผมรู้สึกว่าถ้ามันจะงงเพราะว่าเราพยายามจะไปทําความเข้าใจเป็นแบบได้ค่ะถูกต้องค่ะถ้ายิ่งยิ่งจะใช้ความคิดหรือว่าพยายามคิดเพื่อให้จะให้เข้าใจมันมันจะมันจะยิ่งยิ่งหลงไปค่ะค่ะคุณนภรัต แล้วก็มองมันกลางๆค่ะถอยหลังค่ะสำหรับนุ่ยๆบางทีบอกหลายๆท่านว่าให้ถอยหลังถอยหลังแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันอยู่ข้างหน้าเราให้เราแค่มองค่ะนี่นี่ต้องให้ยโยงเกจซรินมาแล้วใช่ไหมอ่าออกเสียอะไรนะถอยลงไปดูนะครับเออลังดูเ่าเอ า, งเ ย, า, เอายงเกจซรินเข้าใจไหมที่หลวงพ่อพูดวาเนี้มันเจ๊าะไหมเอาลองมาช่วยขยายหรือว่า ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูก็ไม่มั่นใจเลยแต่หนูจะพยายามอธิบายตามที่หนูเข้าใจดีๆค่ะก็คือก็คือการที่เราคิดหรือทำอะไรงค่ะแล้วเราคือเหมือนถ้าเราอยากหรือว่าอะไรงค่ะก็แสดงว่าเรามีตัวตนอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นที่จะอยาก ทำอะไรนู่นนี่นั่นก็ยังมีตัวอัตตาเราอยู่ไงค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราสักแต่เหมาะคือแบบมีสติมองดูรู้ตัวเรามีสติรู้ตัวเราก็จะเห็นมีมีอีกคนหนึ่งอ่ะกำลังทำนู่นนี่นั่นอยู่ไงค่ะประมาณนี้ค่ะเออก็ก็โอเคถือว่าเป็นความเข้าใจนะนถูกแล้วแห ล, ละคือ รู้ทันรู้เร็วน ะ, ะแต่ถ้าไม่รู้ไม่ทันมันก็เป็นอัตตาอยู่อย่างนั้นแหละก็มันเหมือนตอนตอ น, ตอนที่เขาที่แล้วก็คือว่าที่หนูหนูไปดูคือไปดูว่ามันมีสภาวะเกิดขึ้นมันเกิดจากสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณอย่างเงี้ยคะ่ะแต่จริงๆแล้วคือคือจริงๆแล้วถ้าเรามีสติปุป๊บคือคือคือตัวที่เราถู ก, ถกรู้นะคะ คือเราเอาตัวตนเราไปทำนู่นนูนนี่นั่นไปรวมกับเป็นสภาวะอยเงี้ยค่ะเราไปยึดเข้าไปเป็นสภาวะอยเงี้ยค่ะแต่จริงใจใจที่รู้เนี่ยก็คืออีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างนอกงเงีเ้ยค่ะค่ะแยกไปได้ได้ครับผมหน็นว่าเดินหน้าไปได้แล้วแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นปัญญาเขาเรียกว่าปัญญามันมาถึงขั้นนี้แล้วขั้นรู้รับล่อยวางแล้วก็รู้เป็นเพิ่มก็คือเนี่ยประสบ การให้ชนานาญเนาะชำนาญ<ไ>โดยโดยโดยฝึกอย่างนี้แหละเอาตัวตนไปฝึกแล้วมันจะรู้เองว่าเอาตัวเราไปฝึก อ, อือนง่ายๆเลยเอยนะพอบอกเอาพอหลวงพอ่พอบอกว่าเอ้าหนูเกงแล้วหนูไปฝึกพอพอพอจะไปฝึกปั๊บมันนึกขึ้นได้ทันทีอ้าวเราจะไปฝึกก็เห็นว่าเรามันคือสังขารไม่ใช่เราที่แท้จรงิงมันมันมันวางไปเลยอะ่ะแต่ถ้าไม่เห็นเรานาะ<ไ>คือไปฝึกสักพักหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ า, เ อ, าเอ้าเฮ้ยเรามาฝึกนี่ว่ามีตัวเราเนี่ย ก็แล้วแต่ว่าสติปัญญามันจ ะ, ะระลึกได้ในช่วงไหนค่ะคื อ, คอถ้าถ้าเราเราไปเราไปทําเราไปยืดเนี่ยคะ่ะมันมันจะรู้สึกแบบเหมือนเหมือนที่หลวงพ่อว่ามันมีน้ําหนักอะคะ่ะมันมีน้ําหนักแล้วเราก็รู้ว่าเอออันนี้คือเรายืดแล้วก็จะไปทํำเนี้ยคะ่ะคือมันมันจะอารมณ์ต่างกันเลยอะค่ะกับที่เรามองอยู่ข้างนอกแล้วก็ ไม่ก็คือเหมือนใจที่มองข้างนอกแล้วก็ดูไงค่ะคือคือมันต่างกันค่ะค่ะใช่ใจ่ใช่ค่ะถูค่ะเนี่ยตอนเนี้ที่ที่เห็นนักยมหนิงก็เออแกก็หลุดตัวเบวเหมือนกันยมหนิงจะพูดอะไรไหมอะ่ะเออแล้วออกอยังไง<ะ>ตัวแชจะชจอะไรก็คร <c oughs> ับหลวงพอได้ยินไหมครับผม อ, อ่าได้ยินแล้วครับเออเดี๋ยวพอดีว่าเมื่อกี ที่หลวงพ่อให้ขึ้นมาแชร์ใช่ไหมฮะทีนี้ตอนผมฟังคุณคุณนพพลัตรอยู่นะครับผมอันนี้นี่ขอแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ไม่มีคําวิจารณ์อะไรทั้งสิ้นนะแค่อยากจะแบบแชร์มุมมองของผมอะฮะคือแบบมันอย่างตอนคุณนพพลัตรขึ้นมาเนี่ยมันต้องขึ้นมาเพราะความความอยากอยากจะถามแต่ก่อนอยากจะถามนั่นอะมันยังมีความสงสัยก่อนมันเลยถึงมีความอยากจะถามใช่ไหมฮะทีเนี้ยคือ ที่ผมอ่ะเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันก็คือเราอ่ะคิดเยอะไฮะคิดเยอะอยากรู้สงสัยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอเวลามาเจอหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อแกก็จะแบบว่าไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยคือมันคิดมาก่อนหน้านั้นไงคือเราเราคิดแต่เรื่องในอดีตหรือเรื่องอะไรที่เป็นผ่านมาไงแต่หลวงพ่อต้องการสะ ก, กิให้รู้ว่าเออเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกําลังแบบเหมือนเหมือนคุยกับหลวงพ่อนะไอแต่ความคิดอ่ะมันก็ มันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าคือคือผมความรู้น้อยผมขออธิบายอย่างนี้แล้วกันคือมันต้องไม่ลืมฐานกายของเราด้วยครับผมคือพอพอรู้อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าเออเราอะ่ะมีทั้งทั้งทั้งความคิดแล้วก็ทั้งทั้งตัวกายคือมันต้องเห็นพร้อมๆกันอะ่ะอันนี้ผมขออุปมาแบบขำๆนะเพราะว่าเวลาผมจะเป็นปัญญาผมคิดเองไงเหมือนอย่า ง, อ ย, างอย่างคุณนพดลตอนอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ย นพดลก็ก็อยู่ในห้องก็เห็นตัวเองใช่ไหมเห็นเห็นหัวเห็นเห็นแขนเห็นขาอ่ะติวเป็นตัวเลยแล้วกันเนาะแล้วคุณนพดลก็เ huh. ข้ามาในขับเฮาแล้วมาฟังหลวงพ่อเงี้ยด้วยความสงสัยอย่างเงี้ยอันนี้ผมเปรียบเทียบนะอุปมาว่าตัวนี่ก็คือร่างกายไอความคิดนี่ก็คือหัวของคุณนพดลนะขอขอนุญาตสมมติอย่างนี้นะครับผมแล้วทีเนี้ยตอนที่คุณนพดลสงสัยเนี่ยอะไรต่างๆหรืออยากจะถามเนี่ยมันเหมือนคุณนพดล ถอดหัวออกมาเป็นโทษนะเป็นเหมือนเป็นกระสือกับผมคำๆนะถอดไปอยู่ในห้องขับเ้าไปแล้วอะ่ะแล้วคุณก็ลืมตัวไว้ไว้ที่บ้านแล้วแต่ขณะนั้นคุณไม่รู้เลยว่าตัวคุณนอนนิ่งอยู่หรือหรือยืนอยู่อะ่ะแล้วก็จะมีแต่ความคิดอยู่ในหัวไงฮะสิ่งที่หลวงพ่อต้องการจะสกิดให้รู้เนี่ยคือว่าแบบรู้ทั่วๆรู้ปัจจุบันว่าเนี่ยตัวอยู่บ้านนะไอ้สมองหัวนี่มันไปคิดมันไปเรื่องในอดีตอะไรเงี้ยกับปัจจุบันก่อนแล้วพอรู้ว่า มีสติระลึกรู้ปัจจุบันรู้กายรู้ใจเราอย่างเงี้ยเหมือนคุณมัพลดลเนี่ยมีความรู้พุทธศาสนาชั้นสูงเลยเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบร่างกายเนี่ยมันก็เป็นขันห้าขันห้ามันกเน็เป็นตัวทุกข์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอความคิดมันก็เป็นแค่สังขารอะ่ะมันก็เกิดดับมันไม่มีแก่นสารอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณานี้ผมก็รู้คร่าวๆอย่างเงี้ยนะ <c oughs> คือจากที่ผมเรียนกับหลวงพ่อมาก็รู้ว่าการที่ สเต็ปแรกของแกก็จะต้องแบบว่าให้รู้ตัวเราก่อนแล้วก็แบบให้ละตัวเราอ่ะคือผมก็ยังทําไม่ได้นะก็รู้แต่ทฤษฎีนะแต่ประเด็นคือคือคุณนพดลอ่ะต้องเอาไอ้หัวกระสือกับไอ้ที่ร่างก่อนเลยเงี้ยครับผมให้ให้ให้รู้แบบ2 อ, อย่างว่ามันอยู่ด้วยกันก่อนเลยเงี้ยไม่งั้นพอมันมันแยกกันแล้วมันก็จะลืมอีกส่วนนึงอ่ะในในในในความเข้าใจของผมนะเหมือนผมอ่ะก็จะชอบแบบคิดของตัวเองเนี้ย ผมไปยกตัวอย่างในเมื่อเช้าว่าที่ผมเข้าใจหลวงพ่อก็คือเหมือนผมเนี่ยเข้าไปมีเรื่องกับนักเลงเนี่ยลุงมสกําต่อยกันใหญ่เลยผมก็อยู่ในวงในไงแต่พอผมมีสติเนี่ยผมถอยมาวงนอกเนี่ยผมยืนดูนักเลงมันตีกันน่ะณปัจจุบันปัจจุบันนั้นผมรู้ว่ามีตัวตัวรู้มันจะเห็นผมด้วยแล้วก็เห็นนักเลงกลุ่ม น, นั้นที่ตีกันด้วยอะ่ะพอเริ่มจุดนี้ได้พอเราเริ่มรู้ว่าเรามีตัวเรามีมีเขาเรียกธาตุขันเราก็จะเริ่มพิจารณาทํำได้ต่อไปครับผมแล้วก็ ให้เห็นว่าสภาวะทุกอย่างอ่ะมันมันเกิดดับนะมันมันมันมันไปยึดแล้วมันเป็นทุกข์อ่ะผมก็พูดกับตัวเองบ่อยๆนะว่าผมเนี่ยลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงนะคือคือกล้ายึดก็ต้องกล้าทุกข์นะก็โง่เองอะไรเงี้ยก็สอนตัวเองตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับต้องขอขอโทษด้วยนะถ้าผมยกตัวอย่างพูดอะไรไปที่มันดูไม่เหมาะสมแต่ว่าค<ะ>ือผมอะ่ะไม่มีความรู้เท่าไหร่ก็เลยยกตัวอย่างแบบบ้านๆนะครับผมเข้าใจดีก็พูดจาก เจอจากความรู้ความเข้าใจก็ก็ก็ถูกนะเออที่เข้าใจที่เล่ามาเนี่ยหลวงพ่อดูแล้วว่าเออมีการรู้ตัวเป็นแล้วก็แยกเออแยกอะไรได้อะไรเงี้ยนะอืโอเคสาธค่ะสาธุค่ะคุณหนิงค่ะผมครับ